เขาโกาสกับใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยมีไหมยกมือสิไม่เคยเลยซีดีก็ไม่เคย <c oughs> ธรรมะไม่ยากหรอกนะแบบถ้าไม่เคยฟังก็ต้องตั้งใจหน่อนยะแรกๆฟังครั้งแรกอะไรเนี้ยเข้าใจยากนิดหนึ่งนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของประณีตนะลึกซึ้ง ในฟังถ้าไม่เคยฟังเลยนะฟังครั้งแรกอาจจะงงงงเขามีซีดีแจกไหมทีนี้มีปะซีดีมีอะไรแจกไหมมีนะไปฟังนะแต่ก่อนเทศเดี๋ยวรดตกลงก่อนนะระหว่างหลวงพ่อเทศนะให้งดถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายนะแล้วก็งดปิดเสียงโทรศัพท์มือถือไว้ก่อนธรรมะมันต้องการใจที่มีสมาธิมากพอ ในการฟังแต่ไม่ใช่จนกระทั่งเครียดนะไม่ใช่สมาธิจนเคร่งเครียดผิดธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าใจวอกวแวกวากแวกเราจะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเปนะ็นของประณีตแล้วใจเราต้องสงบพอสมควรนะเรียบร้อยอยัง <c oughs> บางคนหลอกหลวงพ่อเรื่องมากจะเทศโอ้คนจะคุยแข่งกับหลวงพ่อขอ ง, งพ่อก็ไม่ยอมอรย่างนี้นะ ก็ธรรมะไม่ใช่ของธรรมดานะธรรมะกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้มาได้เนะี่ยยากลำบากมากเลยแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆเราจะรู้ว่าไม่ใช่ง่ายหรอกนะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกมันยิ่งกว่าร้อยเชือกเข้ารูเข็มนะท่านบอกถ้าจะเอามรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะมันเหมือนต้อนช้างเข้ารูเข็มได้ ก, กว่านั้นอีกลำยาก นั้นใจเราต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆนะต้องเสียสละจริงๆถ้าใจยังหลงอยู่โลกสนุกสนานเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรื่อยๆโอกาสจะได้ธรรมะในชีวิตนี่ยากทั้งๆ ท, ที่จริงๆนแะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีพอดี ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปพอดีสําหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างพวกเราจะทำได้คนในครั้งพุทธกาลเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะใอคีวอะไรต่ออะไรไม่ได้สูงกว่าพวกเรานะแต่ว่าเขาหิวธรรมะเขาอยากได้ธรรมะเวลาได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเขาดีใจเขารีบไปฟังธรรมกัน บางคนพอรู้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเขารอเลยนะท่านออกบวชก็ อ, ออกบวชตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนตัวเองแก่แล้วตามเจ้าชายสิทธัตถะไม่ไหวไปสั่งลูกสั่งหลานให้เตรียมตัวนะต่อไปท่านตรัสรู้แล้วจะได้ไปเรียนกับท่านเห็นไหมเข้าให้ความสําคัญกับธรรมะนี่พวกเราก็ต้องให้ความสําคัญบ้างถ้าพวกเราไม่สนใจ เราไม่ให้ความสำคัญกับธรรมะเราให้ความสำคัญกับกิเลสเราก็บอกว่าธรรมะยากไปไม่ยากหรอกนะไม่ยากเกินไปการปฏิบัติธรรมนะ่ะสิ่งที่เราต้องฝึกนะมันก็มีฝึกกายฝึกวาจาอันนี้ฝึกด้วยการรักษาศีลไว้เมื่อตอนรักษาศีล5้าก็พอแล้วไม่ต้องศีล8หรอกนะเอาศีล5้าให้ดีก็นรักกันตั้งอกตั้งใจรักษาไว้ ศีลจะไปช่วยทำให้กายให้วาจาของเราเรียบร้อยไม่ไปเกะกะร้ารานคนอื่นเห็นไหมใจเราวอกแวกรู้สึกไหมมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ <c oughs> อาสังเกตไหมว่าใจเราหนีไปอยู่ทางนี้ดูออกไหมใจเราพุ่งไปที่นอนนี่แหละเวลาเราฝึกกรรมาฐานนะเราจะรู้ทันใจของเราอย่างนี้ถ้ใจเราวิ่งไปเรารู้ทัน ใจของเราวิ่งหนีตลอดเวลานะวิ่งหนีตั้งแต่เกิดจนตายเลยวิ่งหนีตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกวันทุกวันใจเราไม่อยู่ที่ตัวเองเมื่อใจมันไม่อยู่กับตัวเองปฏิบัติธรรมไม่ได้การปฏิบัติธรรมมันคือการเรียนรู้ตัวเองถ้าใจเราหนีไปอยู่ที่คนอื่นไปอยู่ที่สิ่งอื่นไม่สามารถจะรู้กายรู้ใจของตัวเองได้นะปฏิบัติธรรมไม่ได้จริงหรอกงี่ยเราคอยสังเกตใจนะถ้าใจเราไหลไป อย่างเมื่อกี้นะมีคนมานะใจเราก็วิ่งไปที่เขาให้เรารู้ทันถ้าเราสังเกตแม้ตอนที่ใจเราวิ่งไปที่เขาเนี่ยเราลืมตัวเองเรามีร่างกายนะแต่เราลืมร่างกายของตัวเองจิตใจของเราก็มีใจเราสศกใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายมีอยู่ตลอดเวลาแต่เราลืมมันมัวสนใจคนอื่นเนี่ยหลวงปู่ดูลเรื่องส่งจิตออกนอกเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนกันให้ถึงตรงนี้เลยเนี่หลวงพ่อปูพื้นฐานก่อนเบื้องต้น ก่อนที่จะมาเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยรักษาศีล5ก่อนถ้าเราไม่รักษาศี่ห้นนะในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่เก็บกดเราจะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราจะให้มันกระทบกระทบแล้วใจจะกระเทือนขึ้นมาเราก็ให้มันกระเทือนแต่เราจะคอยรู้คอยดูเท่านั้นเองเราไม่ได้บังคับมันไม่ได้เก็บกดมันงั้นนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายของแต่ละคนเนี่ยมันจะขึ้นมา จะขึ้นมาเราวาดใหญ่นะถ้าเราถึงขั้นในการเจริญปัญญาไม่เหมือนขั้นทําสมาธิขั้นทําสมาธิจิตสงบจิตสบายจิตไม่เกะกะร้ารานใครนะมันก็สบายอยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยจิตใจมันจะทํางานตามธรรมชาติธรรมดาเลยตรงที่มันทํางานขึ้นมานั้นกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันจะไปเกกะร้ารานชาวบ้านครับเพราะงั้นเบื้อง ต, ต้นเราต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะ ศีลห้าไม่ต้องขอจากพระนะจำไว้เลยนะถ้าขอได้ก็ขอถ้าไม่มีพระจะขอเนี่ยก็ตั้งใจมันอยู่ที่ความตั้งใจว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอากุศลทางกายทางวาจาห้าอย่างนะคงรู้จักอยู่แล้วนะหลวงพ่อไม่บรรยายเรื่องศีลห้านะเพราะว่าถือว่าพวกเราชอบรับศีลเ่ยก็รับศีลรับศีลเลยนะแล้วก็ถือว่าต้องรู้อยู่แล้วนะ นี่ก็มาถึงพอเรามาฝึกกายฝึกวาจาให้เรียบร้อยด้วยศีลแล้วเนี่ยต่อไปเป็นขั้นการฝึกใจการฝึกใจมันมีสองขั้นตอนอันแรกเลยฝึกใจให้มีความสุขความสงบนะอันที่สองฝึกใจให้เกิดสติปัญญาให้เกิดความฉลาดรอบรู้การฝึกใจเลยมีสองอย่างอันหนึ่งฝึกจิตใจให้สุขให้สงบอีกอันหนึ่งฝึกจิตใจให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูก ตรงที่ฝึกจิตฝึกใจให้สงบเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเราะแต่พระพุทธเจ้าเราก็เห็นว่าเป็นของดีท่านก็ไม่ปฏิเสธเหมือนอย่างเรื่องศีลเนี่ยศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเรานะพวกนักปราชญ์ทั้งหลายก็ถือศีลกันมาเรื่อยๆคนทําสมาธิก็ทํากันมาเรื่อยๆมีมาตลอดตรงที่พระพุทธเจ้าท่านมาต่อยอดเนี่ยคือการเจริญปัญญางั้นเราจะเรียนมาให้ถึงเรื่องเจริญปัญญานะวันเนี้ยดแต่หลวงพ่อปูพื้นให้ฟังก่อนนะ รักษาศีลด้วยการตั้งใจว่าเราจะไม่ทํำ บ, บาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างตั้งใจไหมตื่นนอนมาก็ตั้งใจก่อนจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจก่อนจะนอนก็ตั้งใจเผื่อกลางคืนเราตายเราจะได้ตายแบบมีศีลไม่ตายแบบอนาถานะเนี่ยตั้งใจไว้ทุกวันทุกวันเวนลาสมรอบให้ได้นะตั้งใจไม่ต้องไปขอใครตั้งใจเอาเองถัาจากนั้นมาฝึกจิตฝึกจิตมี2งานงานหนึ่งฝึกจิตให้สงบอันหนึ่งฝึกจิตให้เกิดปัญญา การฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรให้เราหาอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะที่เป็นอารมณ์ที่มีความสุขมีความสบายคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขนะเราก็พุโทโธไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจคนไหนดูท้องผ่องยุบแล้วมีความสุขเราก็ดูท้องผ่องยุบหลักของการทาสมถะเนี่ยก็คือการที่เราน้อมจิต ให้ไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอยู่สบายๆนั้นพอจิตได้รับความสุขจิตจะไม่หนีไปที่อื่นจิตมันวิ่งห อ, อกหาอารมณ์ภายนอกตลอดเพราะมันวิ่งหาความสุขเดี๋ยวมันก็วิ่งไปดูรูปมันก็อยากว่าไปดูหนังไปอะไรอย่างนี้นะหวังว่าจะมีความสุขไปเที่ยวทะเลไปดูทะเลสวยงามไปดูอะไรต่ออะไรเราเที่ยวไปดูสิ่งต่างๆเนี่ยเราอยากมีความสุขใช่ไหม คงไม่ใช่ว่าวิ่งไปดูเพื่อว่าจะได้มีความทูกขหรอกเราวิ่งไปฟังอย่างไปฟังเพลงไปฟังดนตรีฟังอะไรนะเราก็อยากจะมีความสุขเราไปกินอาหารอร่อยๆเราก็อยากมีความสุขเราจะไปหาเสื้อผ้าอบอุ่นนะอยู่ห้องแอร์สบายอะไรเนี้ยกระทบทางกายให้มันสบายๆก็เพื่อหาความสุขเราไปคิดเรื่องราวต่างๆให้สนุกสนานเพลิดเพลินนะก็เพื่อจะมีความสุข ใจของเรานี่แหละวิ่งหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่มันหาไม่เจอหาไม่ได้จริงวิ่งไปดูหนังนะมีความสุขแป๊บๆก็เบื่ อ, อแล้วนะดูหนังจบก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไปฟังเพลงฟังเพลงจบแล้วก็ไม่มีความสุขอีกแล้วหิวอีกแล้วนะก็หาอะไรกินอีกอร่อยอร่อยอะไรอย่เงี้ยเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาจิตที่วิ่งพลานไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใ จ, ใ จ, ใจก็คือหนีไปคิดนะีคิดเรื่องราวที่สนุกสนานก็ทําไปเพื่อจะหาความสุขนั่นแหละ นี่ถ้าถ้าเรารู้หลักกันนี้นะว่าเนี่ยจิตที่ของเรามันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะมันเที่ยววิ่งหาความสุขแต่มันหาไม่ได้มันไม่ได้จริงไปไปดูรูปก็สุขเดีย๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วไปฟังเสียงก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ววไม่สุขแล้วไปได้กลิ่นหอมๆนะสุขอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วเนี่ยมันมีความสุขสั้นๆอยู่แต่ลอดเวลาใจก็เลยวิ่งพล่านพล่านพล่านไปใจไม่สงบใจมันก็ฟุ้งซ่านตลอดเวลา ถ้าเรารู้หลักกันนี้เนะี่ยการทําสมถะการทําสมาธิเนะี่ยจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปในเมื่อจิตมันวิ่งหาความสุขนะเราหาความสุขมาล่อมันจิตเนี่ยเหมือนเด็กซุกสนเด็กจะหนีออกจากบ้านไปวิ่งไปเล่นเราหาขนมสมมติว่าเด็กคนนี้ชอบกินขนมนะซื้อขนมไปไปที่บ้านเยอะๆเด็กไม่ไปสนที่ไหนนานเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเด็กบางคนชอบเล่นเกมนะเล่นคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นที่บ้านนะไม่ไปไหนเลยคลุกอยู่แต่ในบ้าน จิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้ามันได้อารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันจะไม่หนีไปที่อื่นมันจะอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้สมาธิได้ความสงบได้ความสุขเพราะงั้นเราก็มาสังเกตตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนะชอบพุทโธพุทโธพุทโธนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขอะนี่เราก็มาหัดพุทโธให้ใจเราอยู่กับพุทโธใจเราไม่หนีไปที่อื่นใจเรามีความสุขนะก็ได้สมาธิขึ้นมาไม่ซนไปที่อื่น คนไหนชอบรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆหายใจออกหายใจเข้าสบายใจหายใจออกหายใจเข้าสบายใจจิตใจมีความสุขจิตใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นจิตสงบอยู่ที่ลมหายใจคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขนะเราก็ดูท้องพองยุบไปจิตก็อยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปที่อื่นจิตมีความสุขได้แม้ใช้หลักอันเดียวนะกรรมฐานอะไรก็ได้ไม่ดีไม่เ็วไปกว่ากันหร ไม่มีหรอกสายไหนสายไหนนะสำหรับหลวงพ่อแล้วสายไหนก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ยากอะไรเลยนะอย่างถ้าเราจะทําสมาธิใช่ใจสงบเนี่ยใจเราวิ่งพล่านพล่านถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขเรามาอยู่กับลมหายใจนะใใจที่ถึงข้อสงบละก็มีความสุขละความสุขความสงบอันเนี้ยเอาไว้ทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรง ร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกันร่างกายเราทํางานตลอดเวลาไม่ได้ขยันทํางานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนเลยนะเดี๋ยวก็ตายจิตใจก็เหมือนกันจะเจริญปัญญารวดไปนะไม่ได้พักผ่อนเลยมันก็เหนื่อยไม่มีเรี่ยวมีแรงงั้นเราก็มีที่พักผ่อนของใจนะให้ใจมีบ้านพักบ้างอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจเลยเลือกเอาของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยคนแตกต่างกันกรรมฐานถึงมีตั้งมากมายนะ แลหลวงพ่อจะไม่สอนบอกว่าทุกคนต้องทําแบบเดียวกันเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่สอนแบบนั้นเลยพระเจ้าสอนธรรมะไว้ตั้งมากมายนะเพราะจริตนิสัยคนแตกต่างกันนะที่วัดหลวงพ่อจะไม่มีนะว่านั่งแบบเดียวกันเดินอย่างเดียวกันอย่างนี้ไม่มีหรอกแต่แต่จริตนิสยัยนะทางใครทางมันใช้ได้จะไปได้เหมือนกันนะถ้ารู้หลักแล้วไปได้นี่ลาพังการทําจิตใจใ ห, ให้มีความสุขความสงบเนี่ยมันแก้ทุกข์ไม่ได้จริง ข้อดีของมันนะทำให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงข้อเสียคือมันติดง่ายเวลาที่เราทําความสุขความสงบแล้วมันจะไม่ยอมเดินปัญญาเราไม่รู้จะขึ้นไปเจริญปัญญาได้ยังไงถ้าเราเจริญปัญญาไม่เป็นมรรคผลนิพพานไม่เกิดแน่นอนนะมรรคผลไม่เกิดแน่นอนนะไม่มีทางเลยที่จะได้มรรคได้ผลเพราะว่าคนเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกไว้นะบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการทําทาน ไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลไม่ได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิแต่ถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการเจริญปัญญาอะไรคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงนะของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนจนเห็นทุกความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกนะมีแต่ตัวทุกนะตัวเราจริงๆไม่มีมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมถ้าเราเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วใครจะทุกข์รูปธรรมมันทุกข์นามธรรมมันทุกข์เราไม่ทุกข์นะ ใจมันจะพลากออกจากขันได้ใจมันยัไม่ทุกข์ขันมันมีอยู่ขันมันทุกข์อยู่แต่ใจมันจะไม่ทุกข์บุคคลทั้งหลายนะคนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับความเห็นผิดพอเราเกิดมานะเราก็รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆใช่ไหมนี่พ่อเรานี่แม่เรานี่พี่เราอะไรเนะี่ยถูกสอนเรื่อยๆนะนี่เพื่อนเรานี่ครูบาอาจารย์นะนี่ญาติตั้งหลายอะไรเนะี่ยตัวเรามีจริงๆริงเราถูกสอนอย่างนี้ตลอดเวลา งั้นเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกว่าจริงๆตัวเราไม่มีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีมีแต่ร่างกายซึ่งมันเป็นวัตถุธาตุมีแต่จิตใจซึ่งเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุเหมือนกันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะนอกศาสนาพุทธไม่มีเลยแต่นอกศาสนาพุทธก็มีทําทานมีการรักษาศีลมีการทําสมาธิศาสนาไหนก็มี แต่มีในศาสนาพุทธเท่านั้นนะที่สอนเรื่องการเจริญปัญญาหัดการเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือร่างกายกับจิตใจนี่แหละเราจะต้องมาเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจของเราเพราะเราจะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้เนี่ยสิ่งแรกเลยนะเราต้องไม่ลืมกายลืมใจพวกเราพร้อมที่จะลืมกายลืมใจอย่างเมื่อกี้มีคนยกเก้าอี้เข้ามาพวกเรารู้สึกไหม เราหันไปดูเขานะเราลืมกายลืมใจของตัวเองเรามีร่างกายเราก็ลืมมันเรมีจิตใจเราก็ลืมมันทํายังไงจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวพูดภาษาไทยง่ายๆนะก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้เนี่ยจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, น <S <S ถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆก็มีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนะถ้าพูดภาษาบาลี เอาตามหลักทฤษฎีเลยนะก็คือจิตมีสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นสมาธิมีสองชนิดนะนี่ถ้าพวกเราไม่เคยเรียนตรงนี้เราเวลานั่งสมาธิไปเรื่อยๆรื่อนึกว่าจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกสมาธิที่คนส่วนใหญ่ทำเนี่ยคือสมาธิที่จิตมันเคลื่อนออกไปนะอย่างไปรู้ลมหายใจนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไปสงบอยู่ที่ลมหายใจเวลาเราดูท้องฟองยุบนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้อง เวลาเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เมื่อไหร่นะั้นเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกอารามณูปนิชานสมาธิชนิดเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสิ่งที่ได้ได้ความสุขความสงบเท่านั้นไม่มีปัญญาสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเรียกว่าลักคนูปนิชานจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะธรรมชาติเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นคู่กันอย่างนีนจิตคู่กับอารมณ์จิตแปลว่าผู้รู้เป็นตัวรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า อย่างร่างกายเนี่ยพอจิตเราไปรู้ร่างกายร่างกายก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของจิตความสุขความทุกข์เนี่ยจิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตรูปที่ตามองเห็นนะจิตมันเป็นคนรู้คนดูอีกรูปที่มองเห็นก็เรียกว่าเป็นอารมณ์นะ ja เสียงกลิน่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเรียกว่าอารมณ์ทั้งหมดเลยถ้าเมื่อไหร่จิตของเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะแล้วนิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวเป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐาน เป็นสมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นทรงตัวเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานคนที่จะทํำวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาได้ต้องมีลักขณูปนิชฌานเพราะลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งอริยมรรคเป็นสมาธิที่เกิดในขณะแห่งอริยผล ไม่ใช่อารมณูปนิชานนะเพราะงั้นอย่างสมมติว่าเราไปดูท้องผองยบนะจิตเราไปอยู่ที่ท้องเนะี่ยไม่มีทางที่จะเกิดมรรคเกิดผลเลยมันคือการเพ่งตัวอารมณ์นะเราเดินจงกรมจิตเราไปอยู่ที่เท้ามันคือการเพ่งอารมณ์ไม่มีทางเกิดมรรคผลเพราะจะไม่ได้ทําวิปัสนาอย่าทํำวิปัสนาได้จิตจ้องตั้งมั่นตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีวิธีฝึกสองวิธีนะวิธีที่หนึ่งทำฌานถ้าพวกเราคนไหนทําฌานได้บ้างในห้องนี้มีไหม มีไหมใครเข้าฌานได้ไม่มีนะงั้นต้องใช้วิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเราจะไม่ได้จิตที่ตั้งมั่นแบบเข้มแข็งนะถ้าเราผ่านการเข้าฌานแล้วผ่านฌานที่สองไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงออกจากฌานมาแล้วเนี่ยจิตจะทรงตัวอยู่ได้หลายวันเลยแต่ไม่เกินเจ็ดวันนะก็จะฟุ้งไปอีกต้องมาทําใหม่แต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้น เราทำกรรมฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งที่เราเคยทำนะคนไหนเคยพุทโธก็พุทโธคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนชอบดูท้องผ่องยุบก็ดูท้องพองยุบแต่ไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้ดูลมหายใจเพื่อให้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ดูท้องพองยุบเพื่อให้จิตไปอยู่ที่ท้องนะถ้าจิตไปอยู่ที่ลมอยู่ที่ท้องเป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งเราทำสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเช่นเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิด จิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตเราไม่ได้ไปนเน้นที่ตัวอารมณ์แต่เราเน้นที่ตัวจิตนะบทเรียนที่การเน้นสร้างสมาธิด้วยการรู้ทันจิตเนี่ยถึงเรียกว่าจิตตะศิขาบทเรียนของพระพุทธเจ้ามี3าบทนะศีลสิกขาการเรื่องการรักษาศีลจิตตะศิขาเรื่องการเรียนรู้เรื่องจิตนะจนกระทั่งจิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องและถึงจะถึงขั้นปัญญาศิกขา ถ้าเราไม่เคยเจริญกิตติสิกขาไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตเลยแล้วอยู่ๆไปเจริญปัญญาเราทําไม่ได้จริงเราจะไปเพ่งหมดเลยไปดูท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องไปดูเท้าก็เพ่งเท้านะไม่มีหรอกที่จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมาเมื่อเราต้องฝึกเป็นสมาธิที่อาภัพมากเลยนะสมัยก่อนคนไม่รู้จักเลยนะอย่างเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่ อ, อยังตะเวนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละวัดแต่ละแห่งนะ มีคนที่จิตตั้งมั่นเนี่ยน้อยเต็มทีเลยบางที่มีคนหนึ่งบางที่มีแต่ตัวอาจารย์บางที่ไม่มีเลยหายากมากแต่ทุกวันนี้คนที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เยอะนะฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังไปเถอะฟังฟังฟังแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเคยได้ยินคำ ว, ว่าพุทโธไหมพุทโธศาสนาพุทธพุทโธว่าอะไรแปล ว, ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคี่จิตเรานี่แหละงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้นะด้วยการรู้ทันจิต พุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแลรู้ว่าจิตหนีไปละหรือจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเพราะฉนั้นเราเวลาเรารู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่รู้เพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ลมหายใจถ้ารู้ให้จิตนิ่งอยู่ที่ลมหายใจได้สมาธิอย่างที่หนึ่งจิตเพ่งอารมณ์มันเดียวถ้ารู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิต จิตเป็นตัวหลักนะลมหายใจเป็นแบ็กกราวเป็นฉากหลังเพื่อเราจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเท่านั้นหายใจไปจิตไปคิดรู้จิตไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลงไปที่ท้องก็รู้ไปเดินจงกรมก็ได้นะเดินจงกรมแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้อะไรเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปตรนที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตมีตัณหา จิตมีความฟุ้งซ่านด้วยมีตันหาด้วยนะหลวงปู่โดนเรียกจิต ท, ที่เคลื่อนไปเนี้ยว่าจิตส่ออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกเนี้ยเดินมิปเสนาไม่ได้จิตต้องมีสมาธิต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ถึงจะเจริญปัญญาได้นะงั้นเรามาฝึกทุกวันต้องซ้อมนะถ้าใครเคยซ้อมนั่งสมาธิให้จิตสงบนะก็ดีเหมือนกันไม่เลิกหรอกแต่ว่าต่อยอดไปต่อไปนี้เวลานั่งทุกวันแบ่งเวลาภาวนาในรูปแบบอะไรเนี้ย คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนแล้วต่อไปเวลาอยู่ในชีวิตประจํำวันเนี่ยพอจิตเคลื่อนนั้นเราจะรู้ทันนะจิตหนีไปดูจิตหนีไปฟังจิตหนีไปคิดจิตเคลื่อนขยับตัวกลิบเดียวมันจะเห็นเลยพอเราเห็นอย่างนี้แล้สิ่งที่ได้คืออะไรไม่ใช่ปัญญานะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเมื่อจิตหลุดมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอจิตรู้สึกตัวได้แล้วนี่แหละคือจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญา การเจริญปัญญาจะทำยังไงนะขั้นแรกหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองคือเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าเราเผลอไปลืมไปนะจิตหนีไปที่อื่นจิตหนีไปดูรูปไปฟังเสียงเนี่ยจิตเคลื่อนไปเราไม่รู้ทันเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ดังั้นจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิชนิดที่จะเจริญปัญญาได้ต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆ รู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ใช่การทำวิปัสสนากรรมฐานนะพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะเราต้องดูกายดูใจมันทำงานเราจะเห็นร่างกายมันอย่างขนาดนี้เรานั่งอยู่บางคนฟังหลวงพ่อแล้วก็พยักหน้าเราก็จะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นโครน่นกันเราจะต้องค่อยๆหัดแยกนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนียหัดแยกออกเป็นส่วนๆ ถ้าแยกได้ครบนะเขาเรียกขันห้าขันห้าก็คือ5ส่วน5กองนะกองของรูปธรรมส่วนของร่างกายกองของความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจกองของความจำนะกองของความปรุงดีปรุงชั่วกองของความรับรู้นะเรวิญญาณขันเราจะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆการจเจริญปัญญานั้นการทำมิปรสนานะั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกตัวเองเป็นส่วนๆก่อน แยกเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะทำลายล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเหมือนอย่างรถยนต์เราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆแต่ถ้าเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อเหอพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่มจับมาถอดเป็นส่วนๆเก้าอี้มันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหม ตัวเครื่องยนต์ตัวถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์กระจกก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมสายไฟก็ไม่ใช่รถยนต์เนี่ยขนาดมีรถยนต์หนึ่งคันนะเราจับมันแยกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเราพบว่ารถยนต์หายไปพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้แหละนะให้มาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยพอแยกออกเป็นส่วนส่วนแยกเป็นห้าส่วนแยกออกมาเป็นส่วนส่วนแล้วเพราะว่าตัวเราหายไปตัวเราไม่มี ถ้าเมื่อไรปัญญาเห็นแจ้งว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่รูปธรรมนามธรรม ท, ที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนั่นคือภูมิธรรมของพระโสดาบันเราเคยอยากได้มากได้ผลนะพวกเราใครอยากได้มากผลบ้างยกมือซิใครเคยอยากได้อยากได้กันเยอะนะรู้ไหมว่าต้องเจริญวิปัสนานั่งสมาธิไม่มีทางได้หรอกนะหลวงพ่อนั่งสมาธิชนานาญนะหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งสมาธิยี่สิบสองปี นัน่งสมาธี่2ิบสองปีทาความสงบเลยที่ปุ๊บับปุบป๊ับนะเข้าออกเข้าออกได้ว่องไวเลยไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญาเลยจนไปเจอครูบาอาจารย์เจอหลวงปู่ดูล่ะท่านสอนให้เจริญปัญญาใจของเราต้องเป็นคนดูให้ได้แล้วดูอะไรดูกายมันทํางานดูใจมันทางานถ้าเระแยกอย่างน้อยก็แยก2 ส, ส่วนนะถ้าแยกได้เต็มยศก็แยกได้5ส่วนก็เรียกรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่ถ้าแยกไม่ได้มากก็แยกสองส่วนก็ยังดีถ้าแยกกายกับใจได้เราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราจะรู้สึกนะใจของเราเป็นคนดูถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราเห็นร่างกายมันนั่งจะรู้สึกว่าร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งนะไม่ใช่เรานั่งแต่อันนี้เป็นความรู้สึกนะไม่ใช่คิดเอานะจะมาคิดว่ารูปมันนั่งใจเป็นคนรู้นามเป็นรู้นะรูปมันนั่งนามมันรู้รูปมันเดินนามมันรู้อันนี้คิดเอาไม่ใช่วิปัสสนาหรอก เราต้องรู้สึกเอานะเพราะฉะนั้นขั้นแรกรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวได้เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายหายใจตอนนี้ใครหายใจอยู่บ้างยกมือซิมีไหมใครหายใจมีใครไม่หายใจบ้างปลอมตัวมาหายใจอยู่นะเราท no. ําใจสบายเราเห็นตัวนี้หายใจเราเห็นร่างกายนี้หายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจอยู่นะฝึกอย่างนี้นะดูร่างกายนี้หายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นหายใจตัวอย่างนี้เรื่อยๆ ไม่นานเลยเราจะรู้เลยว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเราเป็นแค่คนดูอยู่นะถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยจิตอยู่เนึกกระโน ก, กระตัวละเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูกายกระใจจะเป็นคนละอันแล้วฉับพลันนั้นแหละเราจะรู้สึกเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองเดี๋ยวยุบนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยง เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปมีแต่ความไม่เที่ยงร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะนั่งประเดี๋ยวนึงก็เมื่อยใช่ไหมไปเดินมากมากก็ทุกข์อีกใช่ไหมนอนมากทุกข์ไหมนอนมากนอนมากก็ทุกข์เหมือนเมื่อยต้องนอนพลิกซ้ายพลิกขวาใครนอนไม่พลิกเลยมีไหมนานนานถ้านอนไม่พลิกนาน น, านเป็นโรคแปล ก, กดทับได้นะ เมื่อนอนต้องพลิกไปพลิกมามันทุกอะ่ะเปลี่ยนอิรียบทก็เพื่อหนีทุกข์เป็นเคลาล์ละเอียดกว่านั้นอีกเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเพื่อหนีทุกข์นะลองหายใจเข้าสิอย่าหายใจออกนะดูสิว่าทุกข์หรือสุขทุกข์นะต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่หายใจออกสิอย่าหายใจเข้าทุกข์อีกลนะแล้วเพราะฉะนั้นหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์นะ แล้วเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยมีความทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าหัดเจริญปัญญาแล้วนะแล้ดูไปเรื่อยร่างกายเป็นวัตถุนะร่างกายเป็นวัตถุเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีลมไหลเข้ามีลมไหลออกมีอาหารเข้าไปนะขับถ่ายออกไปเนะี่ยเป็นวัตถุที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตรงคําว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี้ยจิตมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องไปคิดนําหรอก แค่คอยดูเห็นร่างกายไม่เที่ยงร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอร่างกายเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวไปมาเห็นมากๆเข้ามันก็รู้เองวนะ่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ช่องคิดเอานะต้องรู้สึกเอานี้ถ้าเราดูร่างกายเรานั่งต่อนะเราจะหัดแยกขันให้ผลิตขึ้นไปอีกอย่างเรานั่งไปเรื่อยๆมันเมื่อยใช่ไหมความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกัน ความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนใช่ไหมความเมื่อยมาทีหลังเนี่ยหัดดูหัดดูจากของจริงไปความปวดความเมื่อยกับร่างกายเป็นคนละอันกันแล้วความปวดความเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยจิตเป็นคนไปรู้ว่ามันปวดมันเมื่อยนะหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยนะในที่สุดเราก็แยกได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยเป็นอีกขันหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งความรับรู้คือจิตก็เป็นอีกอันหนึ่ง นี่พอปวดมากๆเข้าใจชักกระสับกระสายเช่นเกิดเป็นห่วงตัวเองโหนี่นั่งสมาธิมานานแล้วจะเป็นอัมภพาศไหมเนี่ยนะใครเคยคิดไหมนั่งนานๆ น, น, นะเป็นอมาพาศเปล่าหรือนั่งเดี๋ยวจะไม่สบาย้นั่งมากอย่างนี้พระพุทธเจ้าคงจะไม่ชมหรอกท่านถือว่าเป็นการทรมานกายนะสุดโต่งไปข้างบังคับลุกขึ้นเดินไปเดินเล่นดีกว่าเนี่ยกิเลสหลอกทั้งสิ้นเลยนะตัวความปรุงของจิตตัวนี้เรียกว่าสังขาร มันจะปรุงมันจะหลอกเรานะให้เราฟุ้งซ่านบ้างให้เราโลภ บ, บ้างให้เราโกรธบ้างนะให้เราสงบบ้างนะให้เราเสื่องซึมบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตตัวเนี้เรียกว่าสังขารนะใครเคยโกรธบ้างนะมีไหมใครไม่เคยโกรธเลยมีไหมออไม่มีต้องถามแบบนี้นะจะได้ความจริงถามว่าใครเคยโกรธบ้างบางคนฟังไม่ทันกาลังใจลอย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ยกมือ รู้จักไหมโกรธรู้จักไหมโลภรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักเซ็งไหมเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมหนาย <laughs> <laughs> เบื่อ <laughs> นะขี้เกียจรู้จักไห ม, <laughs> มรู้จักใช่ไหมโอ้ยิ้มหวานเลยพวกขี้เกียจเนี่ย <laughs> ดีใจรู้จักไหมเสียใจรู้จักไหม <laughs> อิจฉา รู้จักไหมใครเคยอิจฉาบ้างมีไหมใครไม่เคยอิจฉาเลยมีไหมนานาชนิดเนี้ยตัวนี้เรียกว่าสังขาร น, นะคือความปรุงของจิตเนี่ยเราจะค่อยค่อยหัดอย่าเรานั่งไปด้วยนะหรือวางทีตาเรามองเห็นสังขารก็เกิดขึ้นอย่างเราเห็นคนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราเกลียดเคยเห็นไหมแบบเนี้ยเจอคนเนี้ยชอบเจอคนนี้เกลียดเขาไม่เคยว่าอะไรเราเลยนะเห็นหน้าปุ๊บเกลียดปั๊บเลยเคยเจอไหม เรียกมีบุพเพสันนิวาสเคยตีกันมาก่อนใช่ไหม <c oughs> ดูของจริงนะดูของจริงจะเห็นเลยว่าความรู้สึกเนี่ยหมุนอยู่ในใจเราเดียดเดยยเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยนะยังยังไม่ได้มาฟังธรรมได้ยินว่าหลวงพ่อประมวทจะมาอยากมาฟังธรรมใจอยากมาฟังธรรมนี่ก็คือความปรุงของจิตพอมาถึงตรงนี้คิดถึงบ้านเป็นห่วงบ้านอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือความปรุงของจิตให้หัดรู้ลงไป ความปรุงทั้งหลายนะเช่นความรลภความโกรดความหลงเนี่ยไม่ใช่จิตรหรอกนะัเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมันเหมือนกับความปวดความเมื่อยที่แปลปลอมเข้ามาในร่างกายนะความความปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างเวลาจิตของเราสบายๆเราไปเห็นคนคนนี้มันโกรธขึ้นมาใช่ไหมโกรธมันมาทีหลังใช่ไหมจิตเราอยู่เรารู้ตัวอยู่เนี่ยความโกรธแทรกเข้ามาทีหลังเราจะเห็นแล้วมันคนอะอันกับจิต มันไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยๆหัดแยกอย่าง น, นี้นะในสุดเราก็แยกได้ว่าร่างกายก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายก็ไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดที่จิตใจของเราบางทีจิตใจเราก็สุขจิตใจเราก็ทุกข์ใช่ไหมบางทีก็ความสุขความทุกข์อยู่ที่กายสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่กายก็ได้อยู่ที่จิตก็ได้แต่มันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตเป็นอีกขันหนึ่งนะแล้วก็ความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ร่างกาย นะไม่ใช่ความปวดความเมื่อยไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันหนึ่งหัดแยกไปได้นะรู้จักชื่อหลวงตามหาบัวไหมยังไม่ลืมใช่ไหมเออยังไม่ลืมหลวงตามหาบัวเคยสอนนะแบบฟันธงเลยบอกถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญานะท่านพูดถึงขนาดนี้นะเพราะฉะั้นถ้าเราจะเจริญปัญญานะต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็น เราต้องเห็นในร่างกายเนี่ยต่อไปพอแยกธาตุแยกขันธ์เป็นเราจะเห็นเลยทุกธาตุทุกขันธ์นะีไม่เที่ยงเป็นทุก์ไม่ใช่ตัวเราหรอกตรงที่เราเห็นความจริงอย่างตัวที่ไปยักหน้าอยู่เนี่ยเห็นไหมตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นแค่วัดถุยนะใจเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นเลยมันสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่กายด้วยไม่ใช่จิตด้วยถ้าตรงนี้แยกได้นะจะมีประโยชน์มากเลยเวลาเจ็บป่วยมากๆเวลาเราเจ็บป่วยมากๆ ทุกคนควรจะเรียนนะตรงนี้ควรจะฟังไว้เพราะวันหนึ่งเราอาจจะเจอความเจ็บปวดที่หนักหนาสาหัสคือเจ็บจนถึงขาดาตายเลยนะทุกคนมีโอกาสที่จะต้องเจอความเจ็บปวดแล้วก็จนกระทั่งตายนะเพราะเราต้องหัดตัวนี้ไว้ให้ดีค่อยๆให้ดูไปร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งนะความเจ็บปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนดูอีกสิ่งหนึ่งถ้าแยกตัวนี้ได้เนี่ยเวลาร่างกายมันเจ็บปว่วยความเจ็บป่วยเกิดที่ร่างกายนะมันจะไม่กระเทือนเข้าถึงใจ คนทั่วๆไปเนี่ยนะพอร่างกายเจ็บป่วยนะใจจะขยายความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยรุนแรงมากกว่าความเป็นจริงแต่ถ้าจิตของเราเป็นแค่คนดูได้นะจะเห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะถ้าเราหัดแยกธาตุแยกขันเป็นนะค่อยๆลองไปหัดดูนะลองหัดนั่งดูก่อนนะนั่งนานๆ น, นั่งให้มันปวดไปเลย แล้วก็ค่อยดูว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความปวดเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตใจเราเป็นอีกส่วนหนึ่งหัดซ้อมดูนะวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องเจอความเจ็บปวดที่รุนแรงกว่านี้แน่นอนต้องซ้อมไว้ก่อนนะเหมือนกับหัดว่ายน้ําต้องหัดว่ายน้ําก่อนเรือล่มนะถ้าเรือล่มแล้วคล้ายๆโคม่าแล้วมาถามหลวงพ่อประโมทอยู่ไหนมาสอนแยกธาตุแยกขันหน่ะยบายบายตัวใครตัวมันเถอะมันทําไม่ได้แล้ว มันต้องหัดก่อนเรือล่มนะก็หัดว่ายน้ำก่อนเรือล่มหัดแยกทา่าแยกขันก่อนเจ็บหนักใกล้าตายนะหัดซะแ้้แต่วันนี้แหละค่อยๆฝึกไปผู้หญิงหลายคนเลยปวดเวลามีรอบเดือนนะปวดมากแต่พอแยกทา่าแยกขันเปนะ็นแแทบไม่ต้องกินยาเลยที่หนักหนาะสาหาัสกว่านั้นก็มีมีคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งแล้วแยกเป็นอนะ่ะเขาไม่ต้องให้หมอฟีน นานจะให้ทีหนึ่งนะแทบไม่ต้องใช้ยาเลยนะเราตายไม่ตายแต่ตายแบบไม่ทรมานใจตายอย่งมีความสุขอยู่ที่การฝึกของตัวเองนะเนี่ยรหัสแยกธาตุแยกขันต์บ่อยๆฝึกบ่อยๆนะต่อไปเราชำนิชำนาญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันแยกมันจะไม่มีตัวเรามันจะเห็นว่าความเจ็บปวดก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความเจ็บปวดทก็เป็นของไม่เที่ยงนะไม่มีแล้วก็เกิดมีมีแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับได้ นะความเกิดดับนี่นะมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้สั่งให้มีความสุขมันก็ไม่มีห้ามมันทุกข์มันก็จะทุกข์เนี่ยสั่งไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอนัตตานะแล้วก็หัดดูต่อไปเรื่อยนะอย่างกุศลอกุศนละในจิตเราโรลภโกรดหลงเนี่ยมันก็ของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธเนี่ยมันก็ไม่เที่ยง แล้วก็มันก็บังคับไม่ได้ว่าจะไม่โกรธแล้วมันก็โกรธไปแล้วใช่ไหมว่าจะไม่อิจฉาก็อิจฉาได้จิตเนี่ยสั่งไม่ได้ดูไปสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นี่แหละคือการเห็นความจริงของจิตใจนะว่ามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูร่างกายก็เห็นแต่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูจิตใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญา ถ้าเราจเจริญปัญญาแล้วเราจะได้อะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึด ถ, ถือนะเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะนี่ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกให้เราได้เห็นความจริงเราไม่ได้ทําอะไรมากเราแค่พาจิตใจเนี่ยให้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะจิตใจของเราเนี่ยเราไม่เคยให้การศึกษามัน มันมีแต่หลงไปที่อื่นตลอดเวลาต่อไปนี้เรามาให้การศึกษากับจิตใจของเราให้มันรู้ถูกให้มันเข้าใจถูกนีก่คืองานชนิดที่สองที่หลวงพ่อบอกการฝึกจิตใจมี2 ง, งานอันหนึ่งฝึกให้สงบอยู่ในโลมเปนเดียวได้สมาธิได้พักผ่อนอีกอันหนึ่งก็คือฝึกให้จิตใจฉลาดเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะให้เห็นธาตุเห็นขันนี่แหละแต่ละตัวแต่ละตัวนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าเข้ามาเข้านิพพานมาผลนิพพานไม่ไปไหนหรอก ถ้าเราดูไปเรื่อยนะทุกวันทุกวันฝึกรู้ฝึกดูเรื่อยนะกําลังของสติของสมาธิปัญญาเนี่ยจะมากขึ้นมากขึ้นเคยหลงนานก็หลงสั้นนะเคยทุกนานก็ทุกน้อยลงนะเคยทุกสั้นลงเคยทุกมากมากก็ทุกน้อยลงนะสติมันเร็ ว, วใจมันจะทุกปุ๊บสติเห็นแล้ขาดสะบั้นเลยนะไม่เป็นอย่างนั้นกิเลสเกิด น, นะสติะระลึกปุ๊บกิเลสดับปั๊บเลยดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องดับนะกิเลสนะกิเลสดับเองเมื่อสติเกิด น, นะ ฝึกนะเราไม่ใช่เรื่องยากเลยนะลองดูนะวันนึงจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะสิ่งที่ท่านสอนนะอ่าจสะจรรัสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจของเราได้อย่างฉับพลันไม่ใช่ต้องรออีกเป็นแสนแสนชาตินะแย่ทําไปเถอะทำไปเถอะอีกแสนแสนชาติทีงบรณลุเสียเวลาทําไมไม่ทำสัจชาตินี้เลยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปทาไมควรสมัยพุทธกาลฟังทำแล้วก็ทําได้เขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะแต่เขาไม่ยืดยาด้ง ของเราเรื่องมากของเราเรื่องมากเยอะเลยอย่างบอกให้ไปรู้ทันใจของตัวเองจะเริ่มสงสัยจะรู้ยังไงถามว่าโกรธเป็นไหมเป็นโลภเป็นไหมก็เป็นไหมดีใจเสียใจรู้จักหมดเลยสุขทุกข์รู้จักหมดเลยไม่จะยากอะไรอตอนนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ไหมตอนนี้ใจเราดีหรือใจเราชั่วรู้ไหมเนี่ยรู้ของจริงเข้าไปแล้วก็จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราว กุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ของชั่วคราวความชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายก็ของชั่วคราวดูลงไปนะในใจเรามีแต่ของชั่วคราวนี่แหละคือการพาให้จิตได้เรียนรู้ความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวดูร่างกายก็หายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืดเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวดูไปนะทุกวันทุกวันนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูซ้ําดูซากอยู่อย่างนี้แหละนะถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดจนได้แล้วว่า ทุกอย่างนี้เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทั้งสิ้นนะเนื้ออาศัยที่เราได้เห็นทีละอย่างทีละอย่างเช่นร่างกายหายใจออกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปกลายเป็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายหายไปกลายเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนนี่นก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเห็นไหมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มีได้เกิดแล้วก็หายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูได้จนกระทั่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่แหละที่เราจะเข้าใจธรรมะนะที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นแหละแล้วภาวนาถัดจากนั้นก็ภาวนาต่อไปแบบเดิมนะนะคือวัดไหนฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเข้ามานะสงบแล้วดูจิต ด, ดูใจได้ก็ดูจิตดูใจไปดูจิตดูใจไม่ได้ดูร่างกาย ดูกายไปกอดกายเป็นบ้านของจิตถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายนะท่าอะไรทำไมให้ดูจิตก่อนผู้ไรอยู่ในจิตกิเลสทั้งหลายอยู่ที่จิตเรานีงกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตจิตเป็นหัวหน้านะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวหลักเป็นเขาเรียกอะไรจิตเป็นหัวหน้าเห็นธรรมทั้งหลายจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธาน จะดีจะชั่วจิตเป็นตัวตั้งนั่เรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้ก็ไปเร็วหน่อยแต่บางคนดูมาไม่ถึงจิตถึงใจดูจิตไม่เป็นไม่เป็นไรดูกายไว้กายเป็นบ้านของจิตคล้ายๆเราหาเจ้าของบ้านไม่ได้นะเราก็ไปดูบ้านครับไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านเข้ามาเห็นจิตได้นั่นเราก็ใช้หลักนี้นะว่าถ้าดูจิตดูใจของเราได้นะก็ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะนะ ให้จิตใจมีที่พักผ่อนพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงจะกลับมาดูกายดูจิตได้การพักผ่อนนะถ้าพักลึกนะสมาธิมากนะขึ้นมาเนี่ยดูจิตไม่ได้ให้ไปดูกายแต่ถ้าพักจิตสงบนิดนิดหน่อยหน่อยนะพอขึ้นมาเนี่ยจิตจะเคลื่อนไหวทํางานต่อให้ดูจิตนะมันมีหลักของการปฏิบัติอยู่นะค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกถ้าฝึกไปนะจะพบว่าธรรมะของพระ พ, พุทธเจ้าอัศจรรย์จากคนแบบ พวกเราธรรมดาธรรมดานี่แหละใช้เวลาไม่นานเลยเราเปลี่ยนถ้าไปฟังซีดีที่คนมารายงานการปฏิบัติกับหลวงพ่อเราจะพบในคนจนํานวนมากเลยบอกว่าเขาเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอย่างนึกไม่ถึงอนะ่ะเคยเป็นนางมารร้ายนะก็เปลี่ยนนะร้ายกว่าเก่า <laughs> อ้าจริงๆนะคือถ้าเราพอนาะเป็นรู้เลยโอ้กิเลสเรานี่เพียบเลยนะแต่พวกเราแต่ละคนเราชอบคิดว่าเราดีนะ ลงมาหัดภาวนาจริงๆสิมารู้เท่าทันใจตัวเองนางมาร้ายทั้งนั้นแหะนะหรือไม่ก็นายมารไม่ใช่นางมารหรือนางสาวมารหัดดูไปเรื่อยนะในสุดมันจะสำรอกกิเลสออกได้ก็พลทุกขพนร้อนเป็นลำดับลาดับไปไม่ยากไม่ยากหรอกหลวงปู่ดุลย์สอนหลวงพ่อท่านบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติให้อ่านใจของตัวเองไป วันนี้เท่านี้ก็พอแล้วนะฟังมากกว่า น, นี้ก็จะเหนื่อยหลวงพ่อถามขณะนี้ใครรู้สึกว่าจิตมีความสุขบ้างยกมือซิสังเกตจิตของเราไปเรื่อยๆดูตอบไปสังเกตไหมว่าความสุขเริ่มลดลงความสุขเริ่มลดระดับลงใครรู้สึกไหมมันจะเข้าไปสู่อุเบกขาแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสุขก็ไม่เจี่ยงนะให้กันบ้านเรียบตัวนะ ต่อไปนี้ไปทําการบ้านกลับบ้านก็ไปฝึกเอาคําจริงอยู่ที่ไหนก็ต้องฝึกนะอยู่ที่ทํางานถ้าฝึกได้ก็ฝึกอยู่บนถนนฝึกได้ก็ฝึกที่ไหนก็ต้องฝึกจะกินข้าวจะอาบน้ำํำจะขับถ่ายต้องฝึกมิตีฝึกไม่ยากอะไรนะเอาง่ายที่สุดเลยต่อไปนี้ถ้าใจของเรามีความสุขให้รู้ทันต่อไปนี้ถ้าใจของเรามีความทุกข์ให้รู้ทันต่อไปนี้ถ้าใจเราเฉยเฉยให้รู้ทันรู้เฉยเฉยนะไม่เข้าไปแทรกแสง มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ามันมีความสุขแล้วก็จะพบว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ว่ามีความทุกข์ล้วก็จะพบว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมีความเฉยๆเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตตอนนี้กําลังเฉยๆอยู่ดูไปเรื่อยเราก็พบว่ามันไม่เฉยตลอดความเฉยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเปลี่ยนเป็นความสุขบางความทุกข์บางคอยรู้อยู่สามอย่างเท่านี้ก็พอแล้วนะสำหรับมือใหม่หัดขับนะหัดปฏิบัติ ดูแค่ว่าจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้ฝึกแค่นี้แหละพอฝึกแค่นี้ก็พอแล้วถ้ารู้ทันตรงนี้กิเลสจะไม่ได้ช่องเล่นงานเราเวลาที่เรามีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันนะราคะจะแทรกเวลาที่เรามีความทุกข์แล้วเราไม่รู้ทันนะโทสะจะแทรกเวลาเราไม่สุขไม่ทุกขนะ์มันจะเผลอโมหะจะเอาไปกินนะ งั้นเราคอยรู้ทันจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้กิเลส จ, จะหาช่องเล่นงานเรายากแล้วนะใครเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างนะเวทนาเห็นไหมเวทนาเป็นปัจจัยของอะไรของตัณหานะมีเวทนาทําให้เป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาตอก่อนที่ไม่จะเกิดตัณหาคือความอยากนะมันจะมีกิเลสแทกอยู่ พอมีความสุขนะมันก็มีราาักะอยากมีอยากเป็นอยากไดไ้ก็เกิดกา ม, มาตัณหาพอได้มาแล้วก็อยากให้มันคงอยู่เกิดภวะตัณหานะกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็แทรกอยากให้หายไปก็เกิดวิภาวะตัณ ห, ห, หาขึ้นมามีตัณหาขึ้นมาจิตจะดิตนรนสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าเรารู้เท่าทันตั้งแต่เวทนานะตัณหาไม่มีช่องจะเกิดออกนะกิเลสเกิดไม่ได้ตัณหาก็เกิดไม่ได้นะ ฝึกเบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนก็พอลนะต่อไปก็เรียนรู้ธาตุขันให้มากเจรึงกระทั่งทำลายรากเง่าความไม่รู้เขื่ อ, อวิชาได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกอย่างตอนนี้เราก็ถ้าตันเมตนาเกิดเรารู้ตัณหาไม่เกิดถ้าไม่รู้ทันเวทนานะเนี๋ยตัณหาเกิดเราไปรู้ตัณหาตัณหาก็ดับแต่เดี๋ยวก็เกิดอีกนะดับเป็นคราวๆแต่ถ้าเราทำลายรากเง่าเขื อ, อวิชาได้ เรารู้ความจริงของธาตุของขันแจมแจ้งแนละ้วตัณหาจะไม่เกิดอีกไม่ต้องละอีกละทีเดียวแล้วเลิกกันเลยเป็นการละแบบถาวรตอนนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้รู้เฉยๆนะห้ามแฝกแสงนะให้กันบ้านแล้วนะถ้าไปเจอกันที่ไหนอย่าลืมไปส่งกันบ้านนะ <laughs> แต่ต้องดูการะละเทศานะบางทีหลวงพ่อไปทุระเนะี่ย เราไปแวะเข้าห้องน้ำนะแหมอัดอันอ้นตันใจแย่ๆแย่โอ้มาส่งกันบ้านมาคนขอกลาบหน้าห้องน้ำตาปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รู้กาเทศะแต่บาคนดีนะหลวงพ่อไปเทศมีคราวในเทศที่แม่หมอลำปางออกจากที่เทศมาแล้วมาเจอป้ามามแวะเข้าห้องน้ำเห็นคนขายมีดมีรถฟิกอัพนะเปิดท้ายขายมีดอยู่คนอีกคนตั้งแผงเล็กๆขายพ้าเครื่อง เห็นหน้าหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มนะไม่ว่าอะไรลราโอ้สบายไม่มีคนรู้จักไปเข้าห้องน้ําออกมาแล้วมาดักแล้วมาดักถามแล้วนี่เขารู้กัลยเทศะพวกเราต้องรู้กัลยเทศะนะมีความสุขไหมรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันจะถูกกิเลสครอบกิเลสตัวไหนจะแทรกราคะจะแทรกราคะจะแทรก สังเกตไหมตอนนี้ความสุขค่อยๆหายแต่จิตฟุง้งซ่านแทนโมหะแทรกเอาไปกินแล้วนะพอเฉยๆแล้วก็โมหะเอาไปกินพอมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะก็เอาไปกินแค mm hmm. ่ค่อยรู้นะจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้นะฝึกให้ได้แค่นี้แหละเหลือเฟือละนะวันนี้เท่านี้ก็พอละนะจบละนสัส ก, การค่ะอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่นี่ค่ะหนูถนัดพุทโธค่ะแต่จิตก็รู้ตามแต่มันไม่ทันมันไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ห้ามมันหรอกค่ะไม่ใช่ห้ามไปนะถ้าพุทโธแล้วก็ห้ามจิตกระดุกกระดิกเลยเป็นสมถะแต่ถ้าพุทโธพุทโธจิตหนีแปแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันหนีไปแล้วฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ<า>ถึงจะดี ไม่กรรมฐานอะไรก็ได้แหละแต่ต้องรู้ฐานจิตที an, ่มันเคลื่อนไปจะดูท้องพองยบนะจิตเคลื่อนเราก็รู้จิตเคลื่อนแล้วจะได้จิตที่ตั้งมั่นเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อก็ตัวนะถัดจากนั้นก็แยกธาตุแยกขันไปเห็นกายกระใจเป็นโคลานเห็นความสุขความทุกข์กระใจเป็นโคลานเห็นกิเลสกระใจเป็นโคลานล้วจะค่อยๆเห็นแต่ละตัวเกิดระดับหมดเลยไม่มีตัวเราะเนี่ยทางปฏิบัติก็เดินอย่างนี้แหละไปทําเอานะใหญ่แต่คิดเอาอย่างเดียวเพื่มอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ ข อ, อนมามัสการค่ะอพอดีว่าตัวของหนูเองอะค่ะมักจะรู้ทันจิตใจยอยู่บ่อยๆแต่มักจะเกิดปัญหากับตัวเองว่าเวลานั่งสมาธิก็จะมีอาการง่วงแล้วก็หลับไปอืหรือบางครั้งก็จะมีสมาธิแต่ไม่เกิดไม่ค่อยเกิดปัญญาเพราะว่าไม่เกิดสมาธิของหนูเนี่ยจิตมันน้อมเข้าไปนิ่งอยู่ มันประคองจิตอยู่เรื่อยๆถึงขนาดนี้มันก็ประคองอยู่รู้สึกไหมล่ะเออมันจะมีมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งถ้าตราบใดที่ไอ้ตัวนิ่งยังอยู่นะจะไม่เดินปัญญาหรอกต้องกล้าหาญพอที่จะปล่อยมันนะไม่ทราบว่าปล่อยอยังไงคะเห็นไหมกายกับใจเป็นโครล่านกันดูที่กายก่อนถ้าจิตติดสมาธิอย่างนี้นะให้มารดูกายดูไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองนกระดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะ ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถนะุจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านะค่อยๆฝึกนะให้จิตมันเคลื่อนออกมาคิดพิจารณาเข้าไปเลยจิตจะได้ไม่ติดนิ่งของหนูจิตติดสมาธิจิตติดนิ่งถ้าจิตติดนิ่งต้องพิจารณากายนมรสการค่ะหนูทุกวันหนูจะแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะคะแล้วในระหว่างวันเนี่ยหนูก็จะดูกิเลสที่ผ่านเข้ามากระทบจิตตัวหนูเองอ่ะหนูจะเด่นตัวโทสะ บางครั้งรู้ทันก็มันก็จะดับจะส่วนใหญ่จะรู้ไม่ค่อยทันนะคะเราไม่ได้ฝึกให้มันดับเราฝึกให้เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นะฝึกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกให้มันดับแล้วอย่างนี้ก็คือหนูก็ที่ทําอยู่นะทําถูกแล้วไปทำอีกไปเจ้าค่ะเดี๋ยวมีอีกคำถามหนึ่งหนูสังเกตไหมว่ากายกับจิตเป็นคนละอันเจ้าค่ะดูอเห็น่ไหมมันแยกแล้วเจ้าค่ะ เห็นไหมว่าสุขทุกข์กับจิตที่เขาคนละอันกิเลสกับจิตที่เขาคนละอันแล้วก็ต้องดูไปด้วยนะกระทั่งจุดตัวจิตก็ไม่เชี่ยงตัวจิตเองก็เกิดดับได้ดูออกไหมดูออกได้เออดูออกได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วะเดี๋ยวหนูมีคําถามเจ้าค่ะอ่าหนูไม่เข้าใจคําว่าจิตไม่ถึงฐานนะคะจิตไม่ถึงฐานก็จิตส่งออกนอกรู้จักคําว่าจิตเคลื่อนไปไหมรู้จักค่ะ ถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วกจิตสออกนอกไปแล้วจิตไม่ถึงฐาน<ม>แต่การที่จิตถึงฐานเนี่ยห้ามบังคับให้ถึง<ม>ถ้ามันเคลื่อนแล้วเรารู้ว่าเคลื่อนมันจะถึงฐานพอดีแต่ถ้าจงใจจะไม่ให้เคลื่อนจะกลายเป็นเพ่ง<ม>จิตที่เราเดินเนี่ยต้องเป็นทางสายกลางถ้าจิตเผลอลืมเนือ้อลืมตัวนะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยเนี่ยหย่อนเกินไปนะตามใจกิเลสเกินไป อีกอย่างหนึ่งก็คือบังคับจิตไม่ให้กระดุกกระดิกเลยอั น, นียตึงเกินไปจะแน่นๆ่นต้องไม่หย่อนไปต้องไม่ตึงไปนะตอนนี้ตึงไปแล้วแน่นไหมเออมันแน่นสิมันตึงเหรอเออเติ่นเอออย่าไปกนมันลองต้นเต้นให้มันสักว่ารู้สินะมาส ก, การเจ้ค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโยมอยากเร้บาโยมติดสมถะไหมาคะฮะโยมติดสมถะไหมาคะ <laughs> แน่ใจเหรไม่ติดดอกไม่ติดนะคะเพราะยอมเวลายอมยอมตามลมเอยอมรู้สึกคนลุกแผ่วๆแต่ยอมไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรจิตมันมีปีตินะก็ะให้มันหายใจไปนะพอจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติเห็นว่าปีติกับจิตเป็นโครนานกันนะเมื่อต้อนทําอย่างนี้ก่อนไม่เป็นไรแล้วพัฒนายังไงคะหลวงพ่อก็ค่อยแยกไงว่าเห็นมีปีติขึ้นมาปีติก็เป็นของถูกรู้ปีติเกิดแล้วก็ดับ มีความสุขขึ้นมานะให้เห็นความสุขเป็นของถูกรู้ถูกดูความสุขเกิดแล้วก็ดับกลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็ถูกรู้ถูกดูอีกเดี๋ยวก็ดับกลายเป็นฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยดูมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถ้ามันยังเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยไม่เรียกว่าติดนะถ้าติดเนี่ยหมายถึงนิ่งเลยค่ะ<า>อย่างเงี้ย ใ, ให้พัฒนาไปเป็นเจริญอุเบกขาใช่ไหมคะฮะ<ห>ให้พัฒนาไปเป็นอุเบกไม่ไม่ไม่เลยฮะพัฒนาอุเบกขา ให้พัฒนาเห็นว่าปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงอุเบกขาก็ไม่เที่ยงะนะให้มันเกิดปัญญาอุเบกขาเป็นเรื่องสมาธินะเรื่องง่ายๆเอาไว้ชาติไหนไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะก <c oughs> ค่อยไปฝึกเอา <c oughs> ชาตินี้ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้านะยังดำรงอยู่ต้องมาเจริญปัญญาตื่นเต้นค่ะหนูเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้ค่ะ นั่งได้แป๊บเดียวแต่ว่าหนูก็สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะแต่ว่าสวดสวดมนต์นั่งสมาธิตู้บางแต่แป๊บเดียวค่ะเพราะว่าใจมันฟุ้งพยายามคอยรู้ทันใจที่ฟุ้งไปด้วยนะแล้วที่หนูทํานี่อยู่ถูกทุกวันนี้ถูกมสมาธิไม่พอยังไม่พอใช่ไหมคะใจยังฟุ้งอยู่ หนูสวดมนต์ไปนะแล้วก็จิตหนีไปรู้ทันสวดมนต์ไปจิตหนีไปรู้ทันรู้สึกไหมสวดกว่าจะจบบนหนึ่งหนีไปหลายรอบใช่ค right. ่ะอนนั้นแหละคอยรู้ทันให้มันหนีไปนานเราสวดมนต์บ่อยๆนะแกเป็นสวดด้วยไขสันหลังใจลอยไปที่ไหนก็ได้น่าจะสวดจนจบเน่ะเราให้คอยรู้ทันนะดีแล้วล่ะตั้งอกตั้งใจมโนทนาด้วยนอนข้างหลังอีกคนหนึง พระอาจารย์คะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะน้อมสังกกตคือว่าคือหนูปฏิบัติที่คือใช้จิตเป็นหลักอะค่ะเพราะว่า ค, คือคือคือการนั่งหรือว่าการสวดภาวนาเนี่ยเราคือไม่มีเวลามากพ อ, อก็จะใช้อารมณ์ปกติของชีวิตเป็นการปฏิบัติตลอดเวลาส่วนใหญ่ที่ละลึกได้แยกกายกับใจได้ไหมได้ค่ะก็คือ คือคือตอนที่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าลำลึกได้นี่ก็จะรำลึกลมก่อนแล้วก็จะพุทธโทแล้วก็ดูลมที่มันเคลื่อนขึ้นืึ้นลมแล้วก็ด้เห็นไหมว่าร่างกายก็้ปไปของถูกรู้ใช่ค่ะต้องฝึกอย่างนั้นนะพอไปดูลมเฉยเฉยไม่ได้ไม่ใช่ต้องแยกขันค่ะแล้วก็พอพอสักปั๊บนึงคือเราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเข้ามาจิตเราก็จะรู้จะดูจะเห็นก็จะตาม เร ต, ตามแล้วก็รู้ว่าเราตา ม, ม, มแล้วคือหนูจะไม่ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอืมบางทีว่ามีมีอะไรภารกิจที่เข้ามาจิตมันจะรับรู้อะไรเราก็จะรับรู้บางทีก็ทําไปการงานอันนี้เป็นการฝึกที่ถูกไหมคะถูกนะแต่ว่าต่อไปนานๆเนี้ยแค่นี้ไม่พอต้องทําในรูปแบบด้วยม่งั้นจิตจะไม่มีแรงทํารูปแบบคือนั่งสมาธิใช่นั่งสมาธิ<ม>เดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์สงบผู้ช่างไม่สงบผู้ช่างอือ คืนหนูจะฟังทาทุกคืนแล้วก็เวลาเดินนี่ก็จะกําหนดก้ า, ารู้อิริยาบทด้วยถ้ากําหนดแล้วใจแน่นไหมก็รู้อะถ้าใจแน่นแน่นแสดงว่าบังคับนะ ค, คือไม่แน่นคือรับดูรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คืออย่างงี้มาถูกทางไหมได้คือหนูแบบลายย่างผสมอะค่ะเห็นร่างกายมันเดินนะใจเป็นคนดูใช่ค่ะแอย่างนั้นน่าพอได้อยู่ ฝึกเลย่อยคือไม่ได้ใจว่าถูกทางเปล่าเพราะว่าคือเป็นแบบเราเราใช้อันเดียวเทะนะ่านั้นเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช่ค่ะนะงย่าอย่างเดินอยู่จิตนี้ไปคิดรู้ทันนั่งอยู่จิตนี้ไปคิดรู้ทันใช่ค่ะอตามองเห็นจิตนี้ไปคิดรู้ทันใชนะค่คือคือคือมาคิดว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมของเราก็คือว่าเราไม่ต้องไปนั่งเล็งแต่ละอย่างคือเราทำอะไรเรารู้เรารู้ว่าเราทําอะไรเราเห็นตัวเราว่าเราทําอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกนะ แต่หนูต้องระวังมันกิเลสตัวหนึ่งนะหลงไม่ใช่คือมันคิดนําอำมันคิดไปนะมันคิดปัญญามันล้ําไปออปัญญามันล้ําหน้าไปคือคือคือรู้สึกว่าทาอย่างนี้แล้วมันสะดวกกับการไม่ไงเราเราสรุปเอาละปัญญามันล้ําหน้านะดูของจริงให้เยอะเลยค่ะอย่าให้ปัญญาล้ําไปค่ะงานจิตจะฟุ้งการไม่ฟังการค่ะ หลวงพ่อไม่เคยมาเทศทางเมืองเพชรนะมาแล้วคนที่นี่ก็ดูดีเหมือนกันใช้ได้รู้สึกไหมใจมันสว่างใจมันสว่างสวั่นะรู้นรู้ตัวไม่แน่ใจว่าถูกทางหรือเปล่าเพราะว่ามองแล้วแบบเหมือนมันผสมไปเยอะๆไม่เป็นไรเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมใช่ค่ะนัมาตรการค่ะ ใครใจลอยบ้างยก ม, มือสิไม่ใจลอยหรือวันนี้ยรู้จักใจลอยไหมใจลอยนั่นแหละตรงข้ามกับความรู้เนื้อรู้ตัวนี่นีคนทั้งโลกมันใจลอยทั้งวันม่นเลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเจริญปัญญาไม่ได้เวลาเราใจลอยเรามีร่างกายร่างกายก็หายไปหายไปจากความรู้สึก มีจิตใจใช่ไหมจิตใจก็หายไปจากความรู้สึกความใจลอยเนี่ยศัตรูเบอร์หนึ่งของรักปฏิบัติเลยศัตรูเบอร์สองก็นั่งเพ่งเอาไว้จ้องแข็งแข็งทื่อๆไม่เดินปัญญากลับนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อไหนล่ะอันนี้ค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึงอะค่ะก็นั่งฟังฟังหลวงพ่อเทศในรถก็ขับรถกลับจากที่วัดอะคะ่ะก็ฟังมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่ ม, ม่วง เริ่มง่วงอยู่ๆก็เห็นว่าจิตเนี่ยมันแยกออกมาจากกายที่ง่วงแล้วก็มันมีความสุขมากนขนาดนั้นกออ็ควรจะจอดรถนา้าอยเดี๋ยวมันแยกไปอยู่กับคนละที่ไม่เข้ามารวมกันอีก <c oughs> ค่ะแล้วก็ <c oughs> คือปัดเดียวเนี่ยคือเราก็มองเห็นแบบชัดเจนมากค่ะว่ามันมีความสุขมาก แล้วก็เห็นว่ากายอ่ะมันง่วงมากนั่นแหละกายกับใจมันแยกกันนะแค่นั้นยังมีความสุขเลยนะยังไม่ทันจะบรรลุมากผลเลยใช่ไหมถ้าบรรลุมรรผลจะขนาดไหนชิ้นดูสิแต่ถ้าเกิดภาวาอย่างนี้ตอนขับรถอ่ะต้องรีบจอดนะค่ะเราเราสักพักหนึ่งมันก็รู้สึกว่ากลัวขึ้นมาพอกลัวปุ๊บอาการนี้มันก็หายไปเลยค่ะกลัวตัวเราหายไปกลัวตัวเราไม่มีใชมันมันรู้สึกว่าถ้าเกิดเหมือนมันคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า เราเรายังเดินต่ออย่างเงี้ยค่ะเราเกิดอุบัตเหตุเกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็หายวับไปเลยอะค่ะตรงนั้นจิตมันถอนแล้วละ่ะมันถึงไปฟุง้งนะมันหายไปแล้วไม่ต้องเสียดายค่ะคืออย่างนี้หนูก็ให้เวลาที่ปัญญากเกิดสังเกตไหมไม่ได้จงใจใช่ค่ะอถ้าจงใจไม่เกิดหรอกใช่ค่ะใช่ไม่ไม่หลอกหรอก <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนนี้จิต องนะทำไปอย่างนี้แหลนะแต่ให้จิตถึงฐานหน่อยนะอย่างขณะนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมเออนะเขาใส่ไมค์นี่เขาตั้งเวลาไ้หมดเวลาแล้วเสียงหายฐานหมดไปด้วยมาพูดใกล้ๆก็เลยมามาพูดใกล้ๆนีมามาข้างหน้านี้ยืนยืนบันยายให้หลวงพ่อฟังว่าไง นีดหน่อยไม่มากหรอกถ้าเรากดนะ้ําจะหนักนจะแน่นจะแข็งอืมนั่งก็นั่งให้สบายนะเอาอย่างที่พระเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้คูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรั้วาหายใจออกยาวไม่ต้องทําอะไรพวกเราเวลานั่งสมาธิมจะพลาดตรงที่พอเริ่มนั่งเนี่ยเราก็จะไปปรับจิตขังเราให้มันนิ่ง เราอย่าไปบังคับอย่าไปน้อมจิตให้นิ่งนะเราใช้จิตธรรมดาอย่างเงี้ยเรารู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจจิตเราเป็นคนดูพอทำไปอย่างสบายๆไม่นานก็สงบหนอแต่ถ้าเราโดนทอดทำหน้าให้ดูเวลานั่งสมาธินะทีแรกก็ต้องวางฟอร์มาวางฟอร์มทางร่างกายได้ก็เริ่มทำใจนะมีสองพวกนะพวกหนึ่งเอาจริงเอาจังอีกพวกหนึ่งทาให้สงบหลอกตัวเองอะ นนึกออกไหมอย่างนี้แหละที่มันผิดสองข้างนะนึงหย่อนไปนึงตึงไปนั่งทังไงนั่งสมาธินั่งเห็นร่างกายมันนั่งนะใจเราเป็นแค่คนดูดูเป็นไหมล่ะ <laughs> ใจเราเป็นคนดูเฉยๆนะเถ้านะใจมันค่อยค่อยสงบของมันเองอย่าไปบังคับมันตอนนี้จิตอยู่ที่ไหน อนอะอจิตไปอยู่ที่หลบพ่ออะไรเงี้ยแนะใ่ใจให้รู้ทันนะจิตมันไปนะดีฝึกใช้ได้นะอย่าไปนั่งสมาธิแบบอย่างงี้นะเคารพพระธรรมไปเรื่อยํำนับไม่ได้เรื่องนะอีกพวกนี้เครียด อ, ออกขอากสมาธิมาอย่างงี้ยนะตาขวางเลยนะอย่าีไม่ได้เรื่องเลยเคยเห็นไหม น่าสมาธิออกมาหมาเห็นน้ำหมาหางจุกก้นเลย <c oughs> <c oughs> ธรรมะของพระเจ้านะเป็นของอัศจรรย์สงบแต่ร่าเริงนะสงบนะแต่ร่าเริงไม่หงอยงั้นถ้าภาวนาแล้วหงอย <c oughs> ไม่ใช่นะแล้วถ้าภาวนาแล้วก็ดีกด็ด่าลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่นะร่าเริงในธรร ม, มะนะใจมีความสุขมีความสงบ เคยมีคนไปเฝ้าพุทธเจ้าเดินเท่าไปในวัดนะ่ะผ่านกุฏิพระไปหลายหลังกนะ็ เ, เห็นพระเข้าไปพบพพุทธเจ้าไปทูลบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าภิกษุของพระองค์สงบแต่ร่าเริงนะว่าไงเลิกแล้วยัง <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรจิตมันมีปีติขึ้นมาให้มีไป พอมันออกจากสมาธิแล้วนะจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้เอาเช่นตอนนั่งสมาธิอยู่สงบออกมามันเริ่มฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่านนะหัดรู้ของจริงสดๆร้อนๆไปหัดแยกกายแยกใจนะหัดแยกขันบ่อยๆจบยังหลวงพ่อจะได้ไปค่ ะ, อะขอเชิญผู้เข้ฟังทรรมบัญญัตทุกท่านนะคะร่วมกันกราบหลวงพ่อนะคะ รับพรส ก, กัดนะยะถาวริมหาปุราภริปุเรนติสาครังเอวามวะอีโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโูปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพทตโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกฟะวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังมุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันเตียยุวันโนสุขังพระลัง<ำ>ไปหลวพ่อไปแล้วนะอีกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวัด